ลองทำกันถ้าไม่ศึกษามันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เหมือนแร่ที่อยู่ในก้อนหินอยู่ในดินยังไม่มีประโยชน์แต่ต้องเอาแร่นันมาถลุงเอาก้อนหินมาถลุงเอาก้อนดินมาถลุงให้มันเป็นคนละส่วนอันหนึ่งเป็นก้อนดินก้อนหินอันหนึ่งเป็นแร่ เอาประโยชน์แล่ไปทำอะไรได้ได้ดีบุกแล่สังสีแล่เงินแล่ทองแล่ต่างๆมันก็ยังเป็นประโยชน์ชีวิตเราก็เช่นกันเรามีชีวิตอยู่เป็นชไห น, นใช้ชีวิตยังไงถ้าไม่ถลุงมันก็จะ ศูนยเปล่ามีรูปมีดามได้รูปได้นามมาแล้วเหมือนเกิดก้อนแร่ก้อนดินก็อนหินแร่เหล็กแร่ทองเหมือนรูปเหมือนนามเนี่ยเป็นก้อนอยู่เมื่อเรามาถลุงคือมามีสติ <S <S 1> <S 1> เห็นมันคืออะไรโตมันถลุงไปถลุมาก็เห็นเป็น สอดเป็นส่วนอันหนึ่งเป็นส่วนลูกอันหนึ่งเป็นส่วนนามที่เราเรียกว่ากายว่าใจมันก็แยกได้เห็นเป็นลูกเห็นเป็นนามมันก็ต่างกันกับเป็นรุ่นเป็นก้อนเหมือนก้อนหินเมื่อสลุงก็เป็นคนละส่วนเป็นส่วนแรกเป็นก้อนหิน เลือกได้เอามาทําประโยชน์ถ้ามันเป็นก้อนดินก้อนหินก็เป็นอันเดียวเป็นสุขเป็นทุกข์ถ้าถลุงแล้วไม่ใช่สุขใช่ทุกข์เป็นอาการเป็นเพียงอาการทุกทุกเป็นอาการไม่จะสุขไม่ได้ไม่จะทุกข์ไม่ได้เป็นอาการเกิดกับรูปเป็นอาการเกิดกับน้ํา จใจสุขไม่ได้เด็ดขาดจใจทุกข์ไม่ได้เด็ดขาดนั้นผิดประเภทโดยใช่รูปเพี้น้าผิดประเภทเอามาเป็นตัวเป็นตนองอข้ามจ้ารูปมาเป็นตัวเป็นตนก็เลยเกิด เ, เจ็บเจบตายทิ้งไปเปล่าๆ เ, เป็นทุกข์ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบิ่หนาแล้ว รูปก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาก็เป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิงใดมาได้สิงนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแช่นใครก็เป็นทุกข์ไปเสร็จแล้วก็เป็นกายเป็นใจเป็นแบบนั้นนีการเกิดเจริญตายเป็นอย่างนั้นด้วยกายใจ แต่ถ้าเห็นมาถลุงมันก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่ก่อนมันเป็นทุกว่านนี้มันเห็นทุก อ, อ่นความเป็นกับความเห็นคนละ อ, อ่านกาัน้องให้ดีๆ ด, ดูให้ดีๆอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งปฏิเสธเอาไปทาดูก่อน่างกันไหม ความไม่สบายกายความไม่สบายใจเป็นทุกข์เมื่อเห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นเห็นไม่สบายเห็นไม่อะไรไม่ใช่เป็นเรื่องครับแช่ใจไม่เป็นทุกข์รูปไม่เป็นทุกข์เวทนาไม่เป็นทุกข์สัญญาไม่เป็นทุกข์สังขารไม่เป็นทุกข์วิญญาณไม่เป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจไม่เป็นทุกข์เนี่ย ตรงนี้แหละเป็นกรอบเป็นกรรมขึ้นมาเข้าสู่วงในของอริยสัจไดเห็นแล้วนะธอจากตรงนี้ตัวว่าของจริงเป็นอย่างนี้นมีจิตมีจีแต่ฉิกมีรูปมีนิพพานมันเป็นปรมัดจิตนี่ก็เหมือนคล้อง รูปว่าเหมือนค้องเจตสิกเหมือนเสียงที่มาเกิดจากค้องเมื่อมีจิงสัมผัสิด่าค้องเวลาสมบัติไม่มีเสียงมันไม่ใช่มันมีรูปมีเจตสิกมีนิพพานมันจึงมีเสียงขึ้นมาเสียงมันก็จบเป็นเสียงมันเป็นอาการ ไม่ใช่ตัวคล้องค้องไม่มีเสียงแต่มีเหตุเกิดปัจจัยเกิดขึ้นก็มีเสียงได้เหมือนจิตของเรานี่ก็มีอะไรสัมผัสก็เกิดขึ้นได้โวามานรูปเลยได้เหมือนคองมีเสียงแต่เสียงนั้นไม่ใช่คองเวลาการเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเส่นกายเช่นใจเส่นรูปเส่นนาม มันมีรูปมันมีนามมันจึงมีอาการมันใช่ตัวใช่ตนถ้ารูปถ้านามไม่มีอาการถ้ามีแต่รูปไม่มีนามอาการก็ไม่มีเช่นคนตายอาการร้อนอาการหนาวไม่มีคนตายสมัยโบราณเมื่อเวลาตายสมัยก่อนไม่มียา ยาอะไรที่เขาเอาไปกีดให้คนตายไม่ให้เนา่าตะก่อนไม่มียาประเภทนี้มีแต่น้ำมันกาดเวลาตายเอาหน้ามันกาดกอคอถ้าหมดไม่ถึงขวดยังไม่ยอมก็อเอาขวดดังก็ยามกอกไปยกคอขึ้นให้ ยกตัวขึ้นตั้งไว้เอาน้ำมัน ก, า ก, ก้าดกอกไม่รู้อะไรเพราะคนตายไม่มีน้ำมีแต่ลูกป็นเป็นอยู่ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันมีแต่ลูกน้ำไม่มีแล้วเหมือนต้นก้อนหินก้อนต้นเสาต้นสูงแต่เผาไฟก็ไม่เจ็บ ชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นขณะที่มันเป็นรูปเป็นน้ําเราจะทำอย่างไงก็มีรูปทำนาทํารูปเหมือนทําดีรูปเหมือนทำชั่วเห็นใช่รูปให้ทําดีใช้น้ําให้ทําดีใช่รูปลาขมชั่วใช้น้ําให้ลาขมยั่วมันก็ทําได้ก็เห็นอย่างนี้เป็นคนละส่วนก็มีชีวิตเหลือตอนเนี้ เรเห็นรูปมาทําเห็นนามมาทาเห็นรูปทุกเห็นนามทุกรู้จักช่วยรูปรู้จักช่วยนามแต่ก่อนไม่นรู้จักช่วยผู้ดีก็สูบเล่า ก, ก็จินโต ด, ดโรคหลงเอาทั้งนั้นอะไรที่ให้รู้นะเฉลิงหาล่งเหลวมาสะดุดเลยมาเยอะแยะไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปบอกใครๆก็ผ่านมาเป็นยังไง ไล้แวันเที่เราเกิดว่าได้รูปได้นา ม, มานี้เป็นอย่างไรอยู่ตรงไหนกันดูมองดูข้างหลังลองดูซอิอะไรเป็นอย่างไรถ้าเราไม่รู้ก็แค่นั้นเดียวยิ่งหนักเข้าไปอีกถ้าเราไม่ศึกษาไม่มีใครที่จะได้ประโยชน์จากก่อจากใจไม่แต่มีโทษถ้าเราศึกษาแล้วได้ประโยชน์ เมื่อไม่เห็นประโยชน์เห็นรูปเห็นนามเห็นรูปทุกเห็นนามทุกมัน ก, ก็รู้จักช่วยในชีวิตขึ้นมามันทุกไม่เป็นทุกเนี่ยคือชีวิตมันสุขไม่เป็นสุกคือชีวิตมันโกรธไม่เป็นโกรธเทปชีวิตชีวิตคือมันเป็นอะไรมัน ก, ก็ต่างเก่าอยู่เหมือนชีวิตอยู่ในพระอบ เหมือนนอนอยู่ในมุง้งวังเสียงยูงพระโอกระจับพระโ อ, อ๋ไหมใส่ทองคำใส่เพชรใส่อะไรแหวนเพชรแหวนทองพระโอกเจ็บไว้ดีมันมีค่าตองมีค่าไปเจ็บไว้แต่ว่าโจรลักได้ ไปไม่เสียได้อันชีวิตจริงๆมันไม่เป็นแบบนั้นมันไม่ใช่คนลักได้มันเป็นสมบัติแล้วว่าอริยทรัพย์ไม่ใช่เพชรใช่ทองอันนั้นมันลักได้ขโมยได้เมืนเป็นอริยทรัพย์เนี่ยเรียกว่าได้ชีวิตถ้าเห็นไม่เป็นเนี่เหมือนกับชีวิตอยู่ในพระอบไม่เปลืเปื้องกับสิ่งใด เป็นเช่นนี้จึงได้ ว, ว่าชีวิตชีวิตที่เป็นอย่างนี้ไม่มีเจ็บไม่มีเจ็บไม่มีตายต้องต้องรู้อย่างนี้ถ้าเห็นต้องเห็นอย่างนี้จึงได้ประโยชน์จากชีวิตได้ชีวิตศึกษาชีวิตเป็นเครื่องเนื่องชีวิตคือส่วนนี้ไม่ใช่เข้าปลาอาหารนั้นเป็นส่วนหนึ่ง กินข้าวลงไปกินน้าลงไปกินผักลงไปกินอาหารลงไปอย่างเท่าอย่างแก่แต่ว่าชีวิตนี้น่าเดือมเหมือนยอดโอชาแห่งโครดรถแห่งพระธรรมชาตลดท่องปวงเคยชีวิตแบบนี้ไม่ใช่รถเผ็ดรถอะไรที่เราหลงหลงกันอยู่ไม่ใช่แบบนั้นเป็นรดดนเดียวรถของโลกหรอก มันมีหลายโรสเสียงก็มีโรสกลิ่นก็มีโรสลิ่นก็มีโรสกายก็มีโรสจิตใจก็มีโรสหูก็มีโรสอะไรต่างๆมากมายหกโรสแต่ละโรสจนอยู่เสมอไม่รู้จักอิ่มโรสของโลกไม่รู้จักอิ่มใช่ว่า กาวลิงกราหานอาหารคือคำข้าวกือนลงเป็นลำคอก็มีหลายรสพระาาหารอาหารคือผรักสะตางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจมโนสัญจตนาหารอาหา ร, าหารทางจิตวิญญาณไปเสพอะไรมาไปติดอะไรบ้าง เป็นยอมเป็นธาตุชิงเสพติดผู้อาหารของโลกเหมือนปลาติดเบ็ดนักตกเบ็ดก็มีเยอะแย ะ, ยะท้งตอท้องหูเราก็หลงกันเท่าไหร่แล้วยิมเป็นไหมเพื่ออะไรได้คิดอย่างไรพระพุทธเจ้าเคยโตกับพระมิจฉาทิฏฐิในเรื่องนี้ ที่พระ อ, องค์ไปบินทบทเพื่อจะไปโปรดมิจฉาทิฐิความมิจฉาทิฏฐิเศรษฐีเดนไปอุ้มบาทอยู่หน้าบ้านของเศรษฐีเศรษฐีบอกไปไปที่นี่เขาไม่ให้ตาพระเจ้ายังไม่ไปอู้มบาเจิญอยู่เศรษฐีก็ บอกสองครัง้งสองครัง้งก็ไม่ไปก็ด่าพขาติดเจ้าเป็นมันไหนถือเต่ม้อดินขอข้าวกินไม่ทำมาหาจิตอะไรสหรักหัวรุนพระเจ้าก็ดูก่นพรามเราก็ทงนาอยู่ อะไรสำนักอะไรโกหกไม่เห็นมีนาชื่อไหนไม่เห็นเห็นมีธามีไถอยูอย่ที่ไหนไม่เห็นมีข้าวผูกข้าวพันอยู่ที่ไหนมีเต็มันขอข้าวข่อจีนอโกหกใบกันใหญ่แล้วอะไรต่างๆดูก่อนครับงา น, านาของเราคือจรัทาเราเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วต้องชั่ว เราจะพยายามละความชั่วทำความดีนี่คือนาของเราเรามีศรัทธาที่ทำความดีไม่ท้อถอยเรามีศรัทธาที่ละความชั่วไม่ท้อถอยความดีเท่าไหรม่มีเราจะพยายามทำความชั่วเท่าไรที่มันมีเราจะพยายามละเรามีความหนักแน่นเรื่องนี้หรือว่าขันธ์ขาดไขเปลี่ยนความล้ายเป็นความดีเหมือนไข แต่ก่อนเวญนยาพริกมันลงไปให้เป็นปุ๋ยเปลี่ยนน้อยเป็นดีเป็นคัดไถของเราเรามีน่าผลคือความเพียร น, นี่ฉันทะมีวิญญามีความเพียรบากบันเรามีเข้าปลูกคือสติหวานลงไปรู้หลงไปอะไรที่มันเกิดขึ้นรู้ ลูกเห็นมีสติไม่หลงมันทุกข์ไม่หล ง, ม, ม, ลงมันโกรธไม่หลงมันทุกข์ไม่หลงมันโลภไม่หลงมันลอกมันเจียดชังไม่หลงมันหิวไม่หลงมันอิ่มไม่หลงนี่คือข้าวปู่ของเราไม่หลงทุกกรณีนี่เม็ดพันธุ์พืชของเราเม็ดนแห่งโพธิของเราเรารู้จักไข่น้ามเข้ารู้จักไข่น้าออก เวลามันท่วมเราก็เปิดออกเวลามันแห้งเราก็ไข่ร่างเข้าหมายถึงชีวิตของเราเราต้องดูแลอยู่เสมอไม่ท่วมไม่แห้งในลักษณะต่างๆบางทีอะไรมันท่วมความพอใจก็มไม่พอใจมันท่วมทับความพอใจก็มไม่รู้จักเอมมันท่มท ว, ม, ว ม, ม, ม, ทมเอา ความไม่พอใจก็เหี่ยนแห้งไปเราจะไม่ให้มันเป็นเช่นนั้นเราจะถอนความพอใจและความไม่พอใจออกไปมีสติแล้วแหละอยู่ให้เป็นหนูโพธิอยู่ตรงนี้เราได้ผลเกิดขึ้นมาได้กินไม่มีการเกิดแก็เจ็บตายอันพรามณ์ทำนายังได้ข้าวหมากินยังแก่ยังเจ็บ ย, ย, ย, ยังตายอยู่อยู่แล้วพรามก็ยืนฟัง น้าบูดน่าเบื่อบอกผู้เจ้าพูดบอถึงตอนนี้สโลดจ่อยน่งหนงอร่อยได้เข้าหากินไม่แจ็ไม่เจ็บไม่ตายเรากินข้าวลูกเราก็ตายหลานเราก็ตายพ่อแม่เราตายปู่ย่าตายายเราตายเหมือนกับเป็นความจริงก็งเลยไงเปิดประตูบ้านออกไปรับบาสนิมนขึ้นไปบนบ้าน ไปพูดลงนี้ให้คนอยู่บนบ้านฟังมีบุตรมีปัญญาขึ้นไปก็โอที่นั่งให้ก็ให้นั่งลงให้พูดลงนี้ชวนลูกชวนเมียมาฟังด้วยเจ้าพูดลงนี้จะผรำ ม, มิฉาทิฏฐิเป็นสมาทิฏฐิแสดงตนเป็นพุทธมามะกะคุถังตนนางกัจฉามิสมังตนังกัจฉามิสังขังตนนางกัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นชนะพระธรมพระสงฆ์เป็นชนะสะนะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีอีกแล้วอาศัยชนะเหล่านี้ข้าพเจ้ามีปฏิปัญญาเกิดขึ้นพ้นจากทุกท้องทรวงนอย้พารูกพาเมียตระแดงตนเป็นพุทธามกกะเอาข้ามาใส่บาทไปส่งบาทพระพุทธเจ้าเห็นไหม กินข้ามีเงินมีทองยังแจกยังเท่าอยู่อะไรที่มันเป็นชีวิตจริงๆหนาได้หรื อ, อยังหรือจนกันอยู่มันสุข ก, ก็จนไปในความสุขแค่นั้นหรือมันทุกข์ก็จนไปในความทุกข์มันพอใจก็จนไปในความพอใจมันไม่พอใจก็จนไปในความพอใจให้เขาบังคับกับใสเราเอเสียเาอาชิตไปห้อยไปแขนไปกับสุขกับทุกข์เกิดขึ้นจากกายจากใจแค่นั้นหรือคือชีวิตไม่ใช่เด็ดขาดเสียชาติ ไม่มีใครที่สอนเรื่องนี้ม่แต่เรานั่นแหละอาจารย์นนดีอาจารย์นีด่าานดีเออเชื่อดีทุกคนอาจารย์น่ะท่านเรียนมาท่านรู้มาแต่ตัวปฏิบัติคือเรานี้ท่านหลงอยู่ที่ไหนไม่ใช่หลงอยู่ที่นี่ทุกอยู่ที่ไหนไม่ใช่ทุกอยู่ที่นี้มันอยู่กับเราอยู่ที่รูปอยู่ที่นามอยู่ที่กายที่ใจเวียนตรงนั้นสอนตรงนั้นง่าย ทำได้หายใจก็รู้ได้เดินก็รู้ได้เคลื่อนไหวก็รู้ได้อย่ายให้มันปรีเดี๋ยใช้ชีวิตปลีมาเท่าไรแล้วหลงจนหน้าด้านทุกจนหน้าด้านไม่อายก็มีสติแล้วมันอายแล้วนี่จะไปให้ใครสอนไม่มีมีแต่เรานี่แหละ เดียวจรเราเป็นเพื่อนกันเฉยๆเออดาก็พูดอยู่เนี่นั่งคูดอยู่เนี่ยมานานเหลือเกินจนจะตายไปแล้วตายไปแล้วก็ว่าเป็นหนี้บุญคุของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีแต่คนดีๆล่องลอยอ่งคนดี ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่รู้จะตอบแทนบนคนใครที่ทําได้เวลาไหนการตอบแทนโลกเป็นดินนี้ที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยก็มีการพูดอย่างนี้แหละไม่มีสิ่งไหนที่ไม่ค่าทุกสิ่งนี้คือมันชีวิตเป็นชีวิตจริงๆอะ่ะนอกจากนั่นก็รูดต้นไม้มันก็มีชีวิตชีวานะรูดต้นไม้ มันเหี่ยวเอาหน้าไปรดม้ำมันสดชื่นขึ้นมาเนี่ยมันตกบนนงสนย่อสอนยมยังไม่ตบสนงสนคนก็ไม่ได้ตอบสนงเหมือนกับการช่วยต้นไม้จะให้ด่านะ <c oughs> ต้องต่าสอนพระที่พระผู้ k h ง ให้เครื่องขยายไม่เป็นทางต่างซ่มมาให้เราใช้ทางไปอีกก็บอกทุกอย่างน้าวัดนี้อยู่ที่ไหนไฟวัดนี้อยู่ไหนถ้าไฟไหมจะทํำยังไงลู่หรืออย่างพวกเราต้นของไฟกําหนิดของไฟอยู่ที่นี่มาจากไหนถ้าสมเรา อ, อยู่ในศาลานี่ยถ้าไฟไม่ศาลาจะทํำยังไง ลู่จากไหมแต่น้ามันไม่ไหลน้ามันไหลมาจากไหนน้าแห้งมันเพราะอะไรให้ลูกจากเครื่องขยายมันมีระบบของมันห้ารอยวัตต์มันก็มีลำโพงที่เป็นลูกช้ให้น้ำหนักห้ารอยถ้าต่ำกว่านั้นไม่ได้สูงกว่านั้นก็ไม่ได้ มือนเด็กน้อยถ้าเอาหาบหนักๆไปให้เด็กน้อยหาบมันจะหาบไหวไหมเหมือนลูกหลานคนหมูนูเขาออยอ่อมหลงตาบให้เหม็นพายโอ้ยหนักโอ้ยหนักโว้ยหนั ก, นกมันจะลองให้ถ้าไม่ออกอุ้โอ้ยโอ ย, โอยไม่ออกเด็กน้อยพิกานเลยทําไมหลังหัก ขาหักมันก็บอกน้ำหนักอันลำโพงที่มันล่องโอ้ยโอ้ยได้ยินไหมเวลาเปิดยอย่างที่เปิดเยลยล่องอีนี่โอ้ยหนักแล้วนักก็ต้องช่วยมันอมอเตอร์ลถลงชัางหน่อยมันหนักเกินด้วยรู้จักไหมมอแกงไหนอย่าใช้เกินกำลังเครื่องมันหน้500าร้อยวัตต์ เมื่อมันออกไปสู่อันอื่นกว่า500วัตต์เครื่องที่รับน้ำหนักในตรง500วัตต์นะจึงเก็บรับได้ถ้าใช่ไม่ถูกเครื่องขยาย500วัตต์ลำโพงเพียง300วัตต์4 0วัตต์ก็บขายเครื่อง500วัตต์ลำโพงพันวัตต์มันก็หนักตออัวเองเลยตัว น, นี้ก็พังอีกดูไหมจับตามาดู พปดตรงนี้ปิดตรงนี้ใช่ตรงนี้ให้ไม่เป็นพังแล้วพังเองสอนยากสอนคนสอนหัวสอนควา ย, ยังไงไปไปซ้ายซ้ายอะไรหัวทำไปขวาแล้วไปซ้ายขวาขวาแ้าไปตรงเอยตรงไปตรงไปหยุดขอหยุดมันก็หยดุดหมายมันก็ไป สอนหัวสอนข่อยเทียมข้าเทียมไผัยเทียมโล่ท้องเวียนมันเป็นสอนมันแล้วทิ่งไปปีหน้าผ้าใหม่มาทำแบบก็มาเป็นมันไม่ได้หัดคนนี่ต้องบอกอยู่หลือเช่นั้นเลยหรือว่าคนประเสิร์ตต้งไหนกันเหล่หเาเนี่ยถ้าไม่สอนตัวเองเอี่ยเนี่ยจะทํำยังไงนั้นหลงกับลูกเนี่ยมันยากไหม ถ้ามันทุกตัวรู้นี่ยมันจะยากไหมมันทับหน้ายอยู่ง่ายกว่าหลงง่ายกว่าทุกถ้าทุกเป็นทุกมันยากถ้าทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกมันง่ายๆให้รู้จักช่วยตัวเองสองสารตัวเองไม่ต้องสูบบุรีได้ไหมไม่ต้องกินเหล้าได้ไหมร้อ่นไปซ่อมเครื่องโลลน ลงไปมืมนุษย์สโลกเ <laughs> อยากจะบอกว่าลงเขาไปเมืองมนุษย์สโลกนี่เมืองเทวาโลกอย่างสูงเย็นหน่อยไปเห็นช่างเขาเข่าแจเขาเหลืองเหลือเตอรเตอเป็นอะไรแล้วว่าเป็นโลกหวานสุบุรีเฉย เบาหวานหนึ่งอย่ากินแป้งมากนะกินผักกินปลาอย่างเดียวอย่ากินแป้งเป็นข้าวเป็นอะไรที่เป็นแป้งแป้งใสหม็นมากวุ้ลีก็อย่าสูบน้าจะให้มันหายถ้าจะรักชีวิตของเราเรามีลูกมีเมียในเมียของเราลูกของเรา ถ้าเราลักลูกก็เมียก็ต้องหยุดสูบบุหรี่ถ้าลักตัวเองอะถ้ามันลักตัวเองก็สูบแล้วมันจะตายง่ายเข้าไปหวานก็รักษาไม่หายรักษาไม่ได้สงบุรีเต็มกระโปกอยู่นะ่มีไหม <c oughs> เอามาสมบุรีมาให้เจ้ไปเจี่ยงหน้าหาเขาบอกตรงๆไนะมเขาก็มันลากไม่ได้พยายามละอยู่หมอก็บอกอยู่ แล้วเราจอแล้วบุ๋ยแลกชีวิตเราเราแลกชีวิตเขาบอกแักชีวิตเนี่ยล่ะแลกชีวิตมาปุ๋ยมาให้เราเขาก็สองบุ๋ยให้หลงตาเอาไปเล็กนะหจุดนะอย่าโูบนะเขาจะมาทีนี้ก็เอาคืนให้เขาบอกกคนนี้เขาไม่พอใจอ่ะใช่ไหมพอใจไหมอยากินหมากนะโอ้ยม่ให้กินหมากก็ไม่ให้จินเขาเสียดีกว่า ไอ้ยินค่พูดแบบนี้มนเยอะแยะเลยไม่พอบมนค่อยชอบนั้นการขูดทุบ ด, ดงไปบโขูดเกาทำให้ขูดมันนี่อยากจะขูดเกาหลงพ่อขาวอยู่นั่นมันพ่นสีขาวเอาสีขาวออกโุดออกจะพ่นสีทองใหม่ยังหาศรัทธามา ไ, มได้หาผู้ที่ทำมาได้อาสาสมบัติไหม <laughs> ขอพวกเขาอยู่น่ะสวยงามนะฟุตบอลวงนหวนเอาโครีฉเข่ารู้ดงไป็ผูดอกฉีขาวมันเป็นเสนเนมมันไม่ทนหรอกผูดออกพ่นฉีทองมาเจ็บปวดนะเจ็บปวดพูดเนีมันอะไรเสนิมคือยาติดอยู่ในนิโคตินอยู่ในเส้นเลือดอากาศนิโคตินอยู่เนี่ยมันติดแล้วอะไรดทนเนี่ยมันเจ็บปวดตอนนาะ คนเราปวดทีดหน่อยเจ็บไิดหน่อยเหมือนกับเราเป็นโลกขี้ใครแม่ถูโค้ยลองให้เลยแต่แม่ไม่ยอมถูถูถูแต่ลูกรองให้นะเพราะถ้าไม่ถูมันน้อยออกขี้ใครเสื่อมใช่ไหมไม่เด็กน้อยน้ำมูกเข็นเช็ดน้ำมูกแล้วก็มาเช็ดกางเกงเป็นหมันหมดเลยแต่ั้องให้ก็สักเช็ดที่ถูเช็ดน้ำมูกเช็ดก่ ลูกลองให้หาลูกหมว่าขณะที่แม่คิดเนี่ยมันเก็บปวดแต่มันสะอาดดวงตาบอกหยุดอย่าไปสูกขอไม่พอใจไม่ได้จนเาะเงินชื่อบุรีรอกบุรีมันหนึ่งก็บาปก็กลัวเท่าเลกแล้วหาเงินได้เยอะมันก็คิดไปแบบนั้นไม่ค่อยพอใจการขูดเกาเนะี่ยต้องอดทน เอาเช้ก่อนวอมอดทนเป็นเครื่องเผาเป็นตะบะเครื่องเผากิเลสแล้วไม่อดเช้าหน่อยเลยมีค่าอะไรหรอกทนเช้าหน่อยอย่าเป็นคนเปาะ บ, บางใจสกใจหม้ายในเป็นคนใจสิงเช้าหน่อยรู้จักหม้ายในไหมใจสกปลาทะเลปลาทะเลไม่ใช่เหมือนปลาน้ำจืดปลาน้ําเค็มใจสก ตอนหนึ่งหลวงตาตั้งเหลือจับตัสมุยไปนขอนสีทรรมราดอยู่กับทะเลแล้วเลือน้อยเดือประมงเขามาเทียบมาขออาศัยเรือใหญ่มันก็ไปมาขออาศัยไปด้วยมันก็จับไปแล้วเขาก็ได้ปลาตัวใหญ่ขึ้นมาวางเงนหัวเรือ บาตัวใหญ่วางหัวเหลือเนี่ดีถามแปบม๊บเดียวตายแล้วใจสก็นั่งเขียนบาตัวนั่งตืดเอามาวางหัวเหลือมันจะมันจะเป็นยังไงฮะโดดด้ามลงไปห <c> ร <oughs> ือละไรไม่ตายง่ายอะไรก็ทุกอะไรก็สกหรือว่าใจสกกันไปไม่ทนชักหน่อยนั่งปวดเดีวโอ้ยปวดตายตายตาย ไม่ไหวไม่ไหวกับบ้านดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวเย่แย่แย่ตายตายตายไม่ต้องพูดเลยภาษาไทยสั์เนี่ยได้ไหมน่าจะว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ต้องพูดเย่แย่ไม่ต้องพูดตายตายไม่ต้องพูดผาได้คตินี้มาสมัยยี่สิบเจ็ดไป ดูสังเวชสารพี่ล่องลอยพุทธเจ้าเห็นเขาสร้างทั้งอาชันต้านยภูเขาเป็นลูกโตอยู่เป็นโตอยู่แบบนี้นี่ภูเขาเป็นชอบหน่อยน้ำตกตัวเดียวระหว่างภูเขาเขาทำไปกติไาสรบัตาลาเก้าหลังใหญ่กว่านี้ สองชั้นสามชั้นอาชันต้าเจาะหูเขาทั้งลูกเป็นศาลาเลียงกันไปทำเป็นมันเรียกงกันไปเอาหลังไม่จะหลังใหญ่นะจเจาะเขาไปเป็นภูเขาเจาะเขาไปจะลูปเจาะต้นเสาฉลักต้นเสาที่เนเหินเป็นดอกกัวเอาไปจะลูปกับเจาะภูเขาลูกนี่ยอยู่ในหินแล้วก็เจาะห้องนอนเป็นห้องนอนในศาลา เจาะเป็นหมอนสำหรับงุ่นหัวเป็นก้อนเนียนเจาะเป็นช่องสำหรับวางผ้าสังกาติในพวกแต่ละชะลาเตลละหลังก้าวหลังน้ำมนมุษย์เนี่ยไม่มีเครื่องยนต์กลไกไม่มีระเบิดโอสังกะต้ไปมันจะเท่าไหร่ทำไมจริงๆขนาดนั้นคนโบราณพันพันกว่าปีเนี่ยเราเนี่ยเบาบางขนาดไหน อะไรก็ทําไม่ได้หลวงตาไปวัดจะหาพระมาใจดวงนี้เลยปิดประตูนอนไม่อย่าไปหน่อยอย่าทําแบบนั้นเป็นบาปนี่ทำมาหลายประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์เจริญโลกประโยชน์เจริญพระศาสนามีประโยชน์มากเราทุกคนก็มี มีพ่อมีแม่มีปัญญาสามีมีาามมลกูกมีหลานมีเพื่อนนิดอย่างนู้นเราหยุดเนี่ยให้สงเคราะห์กันอย่าทะเลาะวิวาสกันอย่างเนี้ทำไม่ไหนเป็นไงไม่ต้องไ ป, ปรู้ทำเมื่อแต่ใจดีๆอย่าทะเลาะกับใครๆหนึ่งไม่บีเ่เบียนตัวเองเอาไว้ก่อนสองไม่บิเ่เบียนคนอื่นเอาไว้ก่อนสามไม่เบิเ่เบียนเชิงเง่นเลยในโลกนาะ เอาอันนี้ไปก่อนเหมือนกับลาดขึ้นไปจะเอาวันนี้บรรลุทำเลยอ จ, จะไม่ได้นะ <c oughs> จ, จะไม่นั่งไม่นอนเลยไม่ได้แต่ว่าใจยังหมกบุ้นอยู่เนี่ยมันยังไม่พร้อมต้องลาดไปก่อนมองอะไรเมตตาออกหนะ้ามองอะไรกรุณาออกหนะ้าไปก่อนอย่าให้ความพอใจความไม่พอใจไปก่อนเราใช้ชีวิตอย่างไรเรานะ่ะ เราใช้ชีวิตแบบไหนมันเหมาะที่จะบรรลุธรรมได้ไหมเหวียงกนนั้นแล้วคนนี้พอใจถึงนั้นไม่พอใจถึงนี้อันนั้นไม่ใช่ชีวิตนะมันเป็นอาภาพที่ชุดเลยไม่รู้ชีวิตแบบห้อยไปเขียนที่ไหนแล้วแต่อารมณ์จะพาให้เป็นไปเหมือนคล้องเขามาตีก็ไม่เสียงเสียงมันเสียงเหตุประจัใจต่างๆ ดังขึ้นมาพอใจดังขึ้นมาไม่พอใจก็ดังเด่นตีกองเพ น, เน่งถ้าเพืนเป็นบาปนะกองเพนเน่ะทำไมกองเพนจึงเป็นบาปจะไม่เป็นเนนน้อยเนาะถ้าใครท่องยะถาปัจยังไม่ได้ถ้าใครยังท่องปฏิสังขโยไม่ได้เป็นบาปตายไปเป็นขวัยตู้ แล้วก็ตายจากข่อยตู้ไปเทศนาให้เขาค่อยตู้ต้องไปเทศนาให้เขายินข้าวของไม่ใช่เขาเป็นนี่เขาตายไปเป็นควอยตู้ไปเล่าใช้เทศนาให้เขาขวอยตู้ตัว น, นั้นตายไปเขาเอาหนังห่อกองเพลินเขาว่านี่นะแล้วตีที่ใดก็ไปจะเรียกว่าอัจฉมิยาอภิใจเวกิเตว เท่าเสียงกองเพอะจำญาปัจจบีว่ายังบินตาปาโตปลิจาตเท่านนอจัพิจาาจำวยฮะไสังกายโยนิโินทาปาังว่ามยยามาเทวาทจเสียงขางของกองเพลงแต่มยเป็นเนนนะครูกันนะได้เวลาไปบินทบาท ต้องว่ายะถาปัญญ์นะยะถาปังวตมะนังทันตมะไมเวตังตังตาปะว่าให้จบโยมใส่เ hmm. ข้าก็นังลงถึงบาทต้องจบไม่้องดีสุดเนาะได้โยมจะบาดยะถาปังวัตมะนังทันมะมเวตังยตังตปัวที่ก็ตจบปกโลนิโชโยวนโปนังจังจังจนงจังจังองจังจังจังังจังจังจังจังจังนังจงจงจังจังจังจงง เดี๋ยวนี่เขามวาเยะถามประจังเขามองหน้าโอ้คนนี้สวยเนาะคนนี้ไม่สวยเนาะเฮ้ดมระบายให้ดีนะตายเป็นควยตู้อ่บางทีมองคำข้าวัหนข้าวเขาก็อ้ยข้าวงามเนาะคลิปหยอกเห็นปีงไก่อเอาไปกินก่อนเอาชซอสนอยก่อนมีนะเดี๋ยวสมัยอยู่พุทธยานนะ ไปเบนธามบารมีพระอาจารย์ไปสายนี่มีพระภัวนาไปสายนี่ไปกำเนนน้อ ย, เ, ยเราเล่าให้ฟังสะหน่อยนะพุทธยานสมัไหบวชใหม่ๆแล้วพูดเรื่องพระนะไม่บาปนะเป็นตัวอย่างอาจารย์ก็ได้เิ่งไก่ตกเขาเนนน้อยก็เห็นเิ่งไก่ตกเสาบาป น้อยเป็นคนจกอาหารดอกก บ, บาดเวลาบินท บ, บาทมาถึงสาราแล้วก็วมีหวังว่าวันนี้จะได้ปิ้งไก่แบ่งกันฉันละ่ะอาจารย์วางบาทเนนก็หวังบาทไปล้างเท้าขึ้นสราราไปจกบาทอาจารย์เปิดบาทไม่เห็นปิ้งไก่เลยอ่ะปิ้งไก่หาไปไหนหน่ะไปจกบาทเองยังเห็นอัน วิไก in ่เลบาดอาจารย์หายไปไหนนอเนี่ยมาถามกันนี่เอาขึนไก่ออกเรียงเนี่ยอย่างวิ่งไก่ไปไหนผมเห็นวิ่งไก่ตกอาจารย์บาดมาทั้งจับปังใจเลยก็ไม่โล่เลยนอกวิ่งไปถามอาจารย์อาจารย์อาจารย์วิ่งไก่ไปไหนเห็ตัิ่งไก่ไปไหนวิ่งไก่ไปไหนอาจารย์ก็เฉยวิ่งไก่ไปไหนอาจารย์ อ้าวมาสอบถามยงก็ดนี่หน่อยตีไปแม่เหมือกันิ่งมามาบอกเราอาจารย์อาจารย์อาจารย์ไม่ให้เราปิ้งไก่ถามเขาบอกเลยมิจฉาจะตต้าผมตีผมเชี่ยนผมวิ่งมานี่อ๋ออย่าไปถามช่างหัวเขาเนี่ยมีมืนกันยังเน้นก็ยังหนูก่อนพุทธยานนี่เป็นได้บาทมาต้องแบ่งกันเอกวุู่รหนึ่ง เม็ดซอยอ น, นั่นเราไม่มีหลงทานมันเท่าไหรแบ่งกันจริงๆนะเอ น, นั่นแหละไม่มียะถาปัยญาอุกโหยนี้กูรวยปิ้งเก่แล้วประโยชน์ิ้งไก่ไปกินคนเดียวคนลนะไปอย่างั้นเลยตายเป็นข่ยตู้เนนอ่ำใช่ไหมก่อนกลัวกันนักหนาไอะไรแบ่งกันเลยเพราะนั้นนี่คือ ทำไม่ไหนเพียงเนี่ยมีทำไมไวนนี่บรรลุธรรมเลยนะถ้าถือปฏิบัติตามจริงๆถ้าไม่ปฏิบัติรามทำไว้ไหนเท่าไร่ก็ไม่ได้ดอกไม่บรรลุธรรมดอกจึง่อว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นมนีสติเข้ามาต่อนพูดก่อนทาก่อนคิดมีสติ เอนี่ก็ลงมาสูสติอุบานี่สี่สิบ้าสิบปีก็เรื่องสตินี่แหละมีทุกคนเนอาจารย์ว